ขึ้นมาได้สักคนหนึ่งนั่นเราต้องฝึกให้โอกาสแก่ชีวิตของเราบ้างสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยคือการเจริญสติพระเจ้ายัางสอนเลยนะสติปัฏฐานเนี่ยเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นสติปัฏฐานเนี่ยมันต่าง ก, กับสติธรรมดาอยู่หน่อยเดียวคือเป็นสติที่ระลึกรู้รูปนามกายใจของตัวเองเส่ยงสติอย่างโลภ ก, ก็รู้อย่างอื่นไปรู้อารมณ์ที่เป็นกุศลไป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 ในตำราเนี่ยบอกว่าสติทำหน้าที่ระลึกรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจสติเป็นตัวไประลึกรู้ถ้าจะพูดตามตำราบอกรู้อารมณ์ที่เป็นกุศลแต่ถ้าเรานักปฏิบัติเนี่ยเรารู้กายรู้ใจสติเป็นเครื่องรู้กายรู้ใจ น, นี้สติเกิดจากจิตจาสภาวะได้แม่ น, นจิตจาสภาวะได้แม่นก็เกิดจากจิตเห็นสภาวะบ่อยๆเพราะนั้นเรามาหัดรู้สึกกายบ่อยๆ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 บางคนบอกให like ้ขย <tail> him so ับมือหน้าหาวเลยเนี่ยเราเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวนะรู้สึกมันหัดรู้สึกอยู่บ้างเมืนเราใจลอยทั้งวันใจเราหนีไปอยู่ที่อื่นนะมันทิ้งกายทิ้งใจของตัวเองเนี่ยพยักหน้าก็รู้สึกเอาถ้าเจ้าสอนก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะท่านสอนให้เรารู้สิ่งที่มันมีอยู่แล้วในตัวเรานี่เองอย่างท่านบอกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เราก็หายใจอยู่ทั้งวันอยู่แล้ว หน้าที่เราก็คอยรู้สึกเอาหายใจหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้แนะนําให้หายใจออกก่อนนะมหายใจเข้าก่อนใจจะอึดอัดพวกเราลองหายใจออกก่อนสิแล้วเราก็รู้เห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าอย่าดูที่ลมหายใจนะดูที่เห็นร่างกายมันหายใจมันไม่เหมือนกันถ้าเราไปดูลมหายใจเนี้ยจิตเราจะิดจ้องอยู่จุดเดียวเลยจิตจะเคร่งเครียดขึ้นมา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 นี่เราเห็นร่างกายมันทํางานนะเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะพิสูจทั้งหลายมาเหลี่ยวซ้ายก็รู้และขวาก็รู้นะคู่ก็รู้เหยียดก็รู้เคลื่อนไหวก็รู้หยุดนิ่งก็รู้นะสิ่งเหล่า น, นี้ที่หลวงพ่อพูดเนี่ยอยู่ในสติปัฏฐานทั้งหมดเลยอย่าถ้าเรารู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจนีอยู่ในหมวดที่เรียกว่าอนาปนาสติบัพภนะถ้ารู้ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเรียกว่าอิริยาบุตบัพภะ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 แล้วเราก็เอาเวลาไปทิ้งเสื้อเปล่าๆด้วยเพั้นอย่าอยให้เสียเวลาเปลนะ่าๆทุกวันแบ่งเวลาไว้หน่อยหนึหน่งสัก15นาที20นาทีก็พอไม่ต้องมากหรอกแบ่งเวลาไว้ไหวพระส่วนมนต์นิดหน่อยนะแล้วก็ฝึกกรรมฐานร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกนะหรือจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์ก็รู้สึกจิตใจดีจิตใจรโรภโกรดลง ก, ก็รู้สึก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 คนที่มีศีลมีธรรมนะรู้จักเสียสละรู้จักให้มีความสุขนะคิดจะเอาของคนอื่นคิดจะเอาขององค์กรอนะไรไม่ได้มีความสุขเลยคนที่ซื่อสัตย์ในคู่ของตัวเองนะจิตใจสงบสุขใช่ไหมยิ่งแต่งนานๆสงบมากเลยหันไปมองแล้วก็อุเบกขาตลอดวันนะจิตใจสงบสุขเฟ่ดูคนอื่นสิจิตใจนึกกรเพิ่มใช่ไหม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 ก็กิดเล่าอีกละใช่ไหมรวมความแล้วก็คือผิดศีลห้าข้อได้หมดเลยมีโลภะก็ผิดศีลห้ามีโทสะก็ผิดศีลห้าได้นี่โลภะโทสะเนี่ยมันแพ้สติมันแพ้สตินะกิเลสเนี่ยมแพ้สติถ้าเมื่อไรมีสติเมืน่อนั้นจะไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสตินี่เป็นกฎของธรรมะเลยงั้นเราฝึกตัวเองเรื่อยนะฝึกคอยรู้สึกอยู่ในใกายรู้สึกอยู่ในใจนี่แหละโดยเฉพาะการรู้สึกเท่าทันจิตใจของเรานี่สําคัญมากเลย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 ถ้าเรากลาว่าจะทําเพื่อให้จิตสงบนะหายใจเข้าพูดหายใจออกพูดโทวังว่าจิตจะสงบเนี่ยโอ้จะเหนื่อยมากเลยเพราะจิตมันเคยชินที่จะฟุ้งซ่านแต่ถ้าเรากลับข้างนะว่าเราแทนที่จะมุ่งไปที่ความสงบเนี่ยเรามุ่งมารู้ทันความฟุ้งซ่านแทนนะเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปหรือจะพูดโทอย่างเดียวหรือหายใจอย่างเดียวก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตเวลามันหนีไปจิตเดี๋ยวว่าหนีไปคิดเรื่องอื่นเดี๋ยวก็หนีไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยเราค่อยรู้ทันนะ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 จิตจะสลัดคืนจิตให้โลกนะไม่ยึดถือจิตอีกแล้วเนี่ยคล้ายๆลย้โบราณท่านเทียบนะเหมือนเอากะทิมาเคียเค่ยวเคี่ยวจนกระทั่งกลายเป็นน้ํามันนะบอกน้ํามันเนี่ยนะไม่กลับไปเป็นกะทิอีกแล้วจิตพระอราหันต์ก็เป็นอย่างนั้นนะปัญญามันแก่รอบจริงรู้แจ้งแทงตลอดในกองขันห้าแล้วเนะี่ยไม่กลับไปเป็นผู้ถืชนอีกแล้วนะมันจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นการที่จะแก้ปัญหาด้วยปัญญานี่เป็นการแก้ปัญหาที่เด็ดขาด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 เมื่อเรารู้วิธีเนี่ยมาจากการอ่านการฟังอะไรเนี่ยเราถึงก็มาลงมือปฏิบัตินะเพราะเรารู้ด้วยตัวเองไม่ได้ไม่ใช่ภูิของเราคนที่รู้ได้ด้วยตัวเองก็มีแต่พระสัมมาสัมพุท ธ, ธ ะ, ะพระปฏเจกบุตร ะ, ธธะอย่างพวกเราต้องฟังต้องอ่านแต่ไม่ใช่อ่านหนังสือมากๆได้ะจะบรรลุธรรมนะต้องมาดูกายดูใจนะมาดูกายดูใจแสดงไครลักณถึงจะรู้ธรรมได้โลวงพนะตอน ยังไม่ได้เจอหลวงปู่ดูลนะรับราชการแล้วล่ะวันหนึ่งไปเจอท่านพุทธาธไปหาท่านพุทธทาสไปถามท่านว่าถ้าอาจารย์ครับถ้าอาจารย์เขียนหนังสือทั้งเยอะแล้วผมอ่านหนังสือของท่านอาจารย์ทุกเล่มเลยผมจะได้โสดาไหมเนี่ยกล่าวว่าถ้าท่านบอกว่าได้จะลุยอ่านมันทุกเล่มเลยนะท่านบอกไม่ได้หรอกต้องปฏิบัติเอาเพราะท่านบอกอย่างนี้นะจริงจริงท่านก็นักปฏิบัตินี่เราไปคิดว่าท่านเป็นนักคิดเฉยเยไม่รู้จักท่านตัวจริง งั้นเราจะไปฟังการฟังการอ่านอะไรเนี่ยเรียกว่าสุตตะมา ย, ยาปัญญาปัญญาจากการอ่านการฟังมันเป็นการไป Co อปปปัญญาคนอื่นซึ่งล้างกิเลสของเราไม่ได้สิ่งที่ได้ก็คือรู้วิธีปฏิบัติปัญญาอีกชนิดหนึง่งเรียกว่าจินตามายปัญญาปัญญาจากการคิดพิจารณาไตรตรองอันนี้เอาไว้ใช้ทางโลกได้นะแต่ไม่ใช้ทางธรรมไม่ได้เพราะว่าจิตของเราเนี่ยปนเปื้อนด้วยกิเลสอยู่แล้วถึงเราเอาจิต นี่ไปคิดพิจารณาธรรมะมันก็คิดด้วยจิตที่ปนเปื้อนกิเลสอยู่แล้วมันมีไบแอสอยู่แล้วไม่เห็นจริงหรอกวิธีที่จะให้เกิดปัญญาได้มีอย่างเดียวนะคือภาวนามยปัญญาแต่การภาวนานคือการเจริญสติ น, นั่นเองเจริญสติเจริญปัญญาแต่อยู่ๆมันไม่เกิดนะต้องอาศัยการฟังการานคําสอนของพุทธเจ้าซะก่อนเรารู้วิธีแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติสุดท้ายเราก็จะได้ภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเจริญสติ การจะฝึกจเจริญสติจนกระทั่งเกิดปัญญาเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะเราคอยดูกายมันทํางานนะเหมือนเราเป็นคนอื่นนะเห็นร่างกายมันทํางานใจเราเป็นแค่คนดูเราจะรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเอาทุกคนลองยิ้มสินี่หวานหวานยิ้มให้หวานที่สุดเลยนะคล้ายๆมีสาวมาบอกรักเอยิ้มอย่างนั้นนะเห็นร่างกายมันยิ้มไหมรู้สึกไหมร่างกายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จิตเราไปรู้เข้า ลองใส่หน้าสิใส่ช้าๆนะเดี๋ยวบางคนความดันผิดปกติถายแล้วกลิ้งตกเก้าอี้ไปเนี่ยเราขยับสิเราขยั บ, ยบนะขยับนี้ก็ได้เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไหมมันเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าหรือขยับมืออย่างเงี้ยร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูอันนี้เป็นเป็นการเจริญกายานุปัสสนานะเพื่อให้เกิดปัญญาสติปัฏฐานเนี่ยทไปมี2ระดับเบื้องต้นให้มีสติ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 การเจริญปัญญาเนี่ยเริ่มต้นมันจากมาจากปัญญาตัวแรกเลยนะเรียกว่านามรูปปริเฉทยานปริเฉตคือแยกออกมาแยกรูปนามแยกรูปนามเป็นไงก็เห็นร่างกายมันยิ้มใครเป็นคนดูนามคือจิตเป็นคนดูเเรียกว่าแยกรูปแยกนามได้หรือถ้าจะเดินเวทนานุปัสนานะเราก็จะเห็นว่าความสุขความทุกข์มันแยกออกไปจิตเป็นคนดูอย่างนี้เรียกว่าจเจริญ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 เนี่ยหัดรู้หัดดูนะเจ็ดวันเจ็เดือนเจปีนะหัดไปเรื่อยๆดูบ่อยๆนี่บางคนบอกว่าฝึกมาเจ็ดปีแล้วแต่ว่าแต่ละวันทำห้านาทีนอ้อหน้าเวลาไปหลงหมดเราบอกฝึกเจ็ปีอันนี้ใช้ไม่ได้นะฝึกเจ็ดปีหมายถึงว่าดูมันเรื่อยๆมีโอกาสดูเมื่อไหร่ก็ดูเมื่อนั้นอนะ่ะทั้งวันอ่ะนะนะยกเว้นเวลานอนหลับกับเวลาทํางานที่ต้องคิดเวลาอื่นก็รู้สึกกายรู้สึกใจไปนะเจอสาวสวยก็ได้นะ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 เวลารู้กายนะเราจะรู้ลงปัจจุบันขณะมันจะมีคำว่าเดี๋ยวนี้เลยกำลังกาลังเกิดขึ้นเช่นกำลังขยับจิตเรารู้ได้ถ้ามือกำลังขยับเนี่ยจิตเรารู้ได้นะแต่ถ้าเวลาดูจิตเนี่ยจะใช้คาว่าแล้วโปรดแล้วรวบแล้วลงแล้วจะต่างกันนะถ้าดูกายเนี่ยกำลังเดี๋ยวนี้ n น w านะถ้าดูจิตแล้ว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 อันนี้เป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันถ้าเราชาตินี้ได้โสดาบันก็คุ้มแล้วนะถ้าได้โสดาบันเนี่ยพุทธเจ้าท่านบอกว่าการโสดาปฏิมากษนะมีความสําคัญมีคุณค่ามากกว่าได้สมบัติของจักรพรรดิเพราะจักรพรรดิเนี่ยได้อํานาจมากได้สมบัติมากนะอยู่ชั่วอายุก็ตายแล้วทุกอย่างก็ไปเป็นของคนอื่นแต่เวลาที่เราได้โสดาปฏิมรกษนะเราไม่หายไปไหนละ โซดาปฏิมาคุณธรรมเนี่ยจะอยู่กับเราตลอดไปต่อไปชาติต่อๆไปได้พัฒนาสูงขึ้นสูงขึ้นถึงที่สุดแห่งทุตคนได้ถ้าเราได้โสดาแล้วเนี่ยถึงยังไงวันหนึ่งข้างหน้าต้องเป็นพระอรหันต์แน่นอนดังนั้นตัวนี้สําคัญมากดงนั้นเร า, มาหมั่รู้สึกอยู่ในกายมาหารู้สึกอยู่ในใจนะให้เห็นความจริงของกายว่ากายนี้ไม่ใช่เราหรอก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 หลวงพ่อกล้าท้าเลยนะซีดีของหลวงพ่อไม่เหมือนซีดีคนอื่นนะไม่เหมือนซีดีเพลงเพลงเนี้ยเปิดไปแล้วก็นานๆไปก็เบือ่อขี้เกียจฟังฟังไปแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเลยซีดีหลวงพ่อนะ่ะทนๆฟังไปถ้ามีอยู่แผ่นเดียวฟังมันแผ่นเดียวนี่แหละฟังแล้วฟังอีกแล้วจะพบนะฟังแล้วก็าหัดดูกายดูใจไปเรื่อยๆเราจะพบว่าความรู้ความเข้าใจของเราไม่เหมือนเดิม ท, ท, ทั้งๆที่ธรรมะที่หลวงพ่อพูดนะประโยคเดิมเลยแต่ความเข้าใจของเราต่างหากที่ไม่เหมือนเดิม นะปีนี้เราเข้าใจอย่างนี้ปีหน้าเราเข้าใจอีกอย่างหนึ่งลักษณะธรรมะแท้ๆจะเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างเวลาพระพุทธเจ้าเทศเนะี่ยเวลาพระพุทธเจ้าเทศนะคนที่มาฟังเทศเนี่หลากหลายมากเลยตั้งแต่บรารมีต่ำํำจนบรารมีเยอะนะตั้งแต่เป็นทิฏฐิเพียเพ้ยนเพี้ยนอะไรมาเนี่ยจนถึงคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิแต่คนที่มาฟังพุทธเจ้านะด้วยความอ่อนน้อมด้วยความตั้งอกตั้งใจฟังเนี่ยจะมีความรู้สึกตรงกันอยู่ข้อห น, นึ่ง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 ตัวแคเล็กนิดเดียวเราก็เลือกร้านผิดนะไปเลือกหมอผู้หญิงเนี่ยมือเบาๆหน่อยอะกลายเป็นว่าหมอไม่มีแรงจะถอนฉีดยาแล้วนะดึงแล้วนะแต่ไม่หลุดหมอเนี่ยนสะั่นหลวงพ่อใจเย็นหมอใจเย็นทําใจสบายหายใจก่อนหายใจไว้เดี๋ยวถอนใหม่หายใจหมอกอ็ถอนอีกไม่ออก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 คือว่าเ อ, อหลวงพ่อให้กันบ้านมาครั้งที่แล้วค่ะก็คือตอนเนี้คือจิตมันพยายามดึงมาไว้ที่ฐานนะคะแล้วเขาอ่ะจะเห็นกายเหมือนอยู่ห่างๆนะคะเอย อ, อย่าพยายามดึงนะเวลาเข้าฐานถ้ามันเข้าเองถึงได้ได้แล้วทีนี้เวลาที่เวทนาเหมือนกับความเจ็บปวดในกายหรือว่าการหิ่ๆเช่นตอนเนี้ยเวลามันตื่นเต้นเนี้ยเราจะเห็น กายที่มันหัวใจเต้นแรงอยู่ห่างๆแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งจะรู้สึกได้ว่ามันรู้สึกเหมือนมันทิ้งไปเป็นร้อยๆครั้งอ่ะยิ่งดียิ่งบ่อยยิ่ง <ไป S 1> ดีนะความคิดนั่นถูกต้องฝึกให้ได้วันละพันครั้งอย่างน้อยนะอืยิ่งบ่อยยิ่งดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีเพราะคนในโลกเนี้ยวันหนึ่งเนะียหลงครั้งเดียวคือตั้งแต่ตื่นจนหลับ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 เป็นเรื่องแปลกก็โยมทําต่อยังไม่ต้องการบ้านเพิ่มใชนี่ไงกันบ้านให้แล้วไปทำต่อแต่ว่าอย่าไปรักษาตัวรู้ให้นิ่งอยากนมัสการค่ะหลวงพ่อ อ, ออืเคยไปส่งการบ้านแล้วก็ที่วัดสวนสัตยธรรมค่ะแล้วก็หลวงพ่อก็ได้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 แล้วก็เ อ, อวันนี้เนี่ยจะมากักเรีถามว่าอีก่สองคำถามคือว่าเ อ, อสิ่งที่ทําเนี่ยถูกหรือไม่ถูกการที่เรารู้เท่าทันกิเลสตัวเองนี่ใช้ได้นะถ้ามีกิเลสแล้วไม่รู้เนี่ยใช้ไม่ได้ขอถามได้ไหมคะมคือว่าเ อ, อปกติอะคะในชีวิตประจําวันนะคะเ อ, อจะกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้ อ, อะไรเกิดขึ้นที่กายที่ใจให้รู้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 อยาจะข อ, อการบ้านหลวงพ่อเพิ่มอะค่ะอขอความเมตตาการบ้านเพิ่มค่ะไปทําต่อสิการที่เราเห็นมาน่าอัตตาดวออกเลยใช่ไหมมันทําให้เราน่ารักขึ้นนะแล้ว ร, รู้สึกว่าน่าอายไหมเวลาเร า, าเิด ม, มันเป็นกิเลส ท, ที่แปลกเลยไอ้ตัวเซลจัดเนี่ยพอเรารู้ทันว่าตัวเองเซลลจัดเนี่ยเป็นกิเลส ท, ที่เราเอาละอายที่สุดเลย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 พระพุทธองค์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ซึ่งเป็นที่ร่วมรักสุดหัวใจเลยนะคะแล้วก็เป็นขอถวายการปฏิบัตินี้เป็นธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยะบูชาแด่พระอาจารย์ปามุชปามุชโชด้วยนะคะสาธุนะคือปัจจุบันเนี้ผมก็ปฏิบัติทุกวันนะครับรูปแบบก็คือมีการสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิแตนนี้ปัญหาติดอยู่ว่าการนั่งสมาธิผมเนี่ยนั่งน่ไปมันเกิดการมั่ว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 ใส่ได้ที่แล้วมันก็ไปจับอะไรนิ่งๆอยู่ใช่ตัวที่จับนิ่งๆเนี่ยจิตมันเคลื่อนไปแล้วโมหามแทกดงั้นะจิตมันไม่ตั้งมั่นจริงมันไปนสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวมันไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดนะังั้นเวลาเราฝึกสมาธิเนี่ยอยายให้ขาดสตนะิให้เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะเอาใหม่ลองนั่งอีกอย่างนี้เพ่งไปแรงไปอึนาัด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 นี่ึงคือว่ามีจังหวะอยู่จังหวะนึง่งอาจจะเป็นบังเอิญหรืเผลอม้มันเห็นว่าจิตกับกายคนละถูกมันไม่ใช่บังเ อ, อิญไม่ใช่เผลอหรอกมันเป็นที่เราฝึกนี่นแหละเราหัดรู้หัดดูอยู่แล้วขณะนั้นเนี่ยหมดความจงใจพอไม่ได้จงใจจะรู้แนละ้วมันรู้แต่เบื้องต้นมันก็ต้องจงใจไปก่อนต่อไปมันจะรู้โดยไม่จงใจแล้วตัวนั้นอะใช่ตัวนั้นจะไม่มีเรานะจะไม่มีเรา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 <c oughs> พวกเราแต่ละวันเราทุกข์เยอะอยู่แล้วนะอย่าทำกรรมฐานให้ทุกข์มากกว่าเก่านะเดี๋ยวสติแตกทำกรรมฐานนะให้ใจิตใจมันมีความสุขอบอุ่นนุ่มนวลได้มีแรงอยู่กับโลกในขณะเดียวกันธรรมะก็เจริญไปด้วย <c oughs> ตำรวจใจลอยละดูออกไหม <c oughs> หนีบ๊บไปนะ <c oughs> ไม่ห้ามแค่รู้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 แด่หลวงพ่อปราโมทปราโมโชว์ขอหลวงพ่อได้โปรดรับเพื่อประโยชน์และความสุขแก่คข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวปราบสิ้นการละ น, นานเถิดพวกเรารับพรนะท่านผู้ในกนารที่กรวดน้า เป็นตัวแทนพวกเราเราก็กดน้ำด้วยจิตใจร่วมกับท่านเยยาถาวะริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวามวะอิโตทินังเปตานังอุปกัะปติอิชิตังปฏิตังทุมหังจิปะเมวะสมิจฉุสัพเพปูเรนโตสังกป า, าจันโทปนารโสยถ า, ามณีโชติระโสยถา สพีติโยวิวัตชนตุสัพโรโคโวินั ส, สตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังุทาปจจายโนจตารโรธรมาวัทันติอายุวันโนสุขังพระลังพกขออนุโมทนากับทุกๆ ท, ท่านนะการฟังธรรมะเป็นมงคลกับชีวิตเรา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 อยู่พ่อไปก่อนนะ